ท่านฟังคะท่านกำลังฟังรายการสรมสนีสนทนาดําเนินรายการโดยดิชันสัมสนีนาคพงศ์นะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่เราได้พัฒนารายการมาถึงขั้นที่ให้มีการปฏิบัติธรรมในช่วงต้นแล้วจึงมาต่อด้วยการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะซึ่งมีพระมาราคชาคาวโรนําในช่วงต้นนะคะส่วนพระพบูบุ์อภิปุโนนั้นก็จะมาในช่วงเปิดธรรมอยากให้ ท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าเหมือนกับท่านฟังบางท่านนะนะคะที่เขียนจดหมายมาถามเป็นคำถามทีนี้บางท่านถ้าสะดวกช่องทางอื่นก็ลองดูนะคะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ 02-269-0006 เรามีหมายเลขแฟกศ2นย์0องสและยังมีช่องทาง sms ซึ่งืีนี้คนใช้มากขึ้นทุกวันที่483 แส่วนเว็บไซต์ที่จะส่งข้อมูลขึ้นไปได้นะคะก็คือที่ p e r e t h a m m a com p u r e d h a m m a แล้วก็ com slash เลขของสถานีค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะมีคุณนิธิวดีตันทิกุลเป็นผู้ควบคุมเสียงอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ใช้เวลาเนี่ยเพียงวันลับประมาณ30นาที ที่จะได้สัมผัสความล้ำค่าของพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะคะว่าการมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกความสุขอยู่บนโลกนี้แล้วในคำสอนในพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้วเรานำเอามาเผยแพร่ ก็ขอให้ท่านมารับความสุขกันไปวันนี้ก็ขอให้ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะคะจากการที่รับฟังรายการของเราติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะที่นี่ FM 106และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเช่นเคยสวัสดีค่ะจากดิฉันสรรสนีนาคพงษ์